เพื่อให้ฟังสช้หน่อยเนาะก็มีสิ่งที่บอกกันให้รู้มีสิ่งที่บอกกันให้วางมีสิ่งที่บอกให้กระทาเอาไว้สิ่งที่จะปล่อยที่จะวางที่จะทำสิ่งที่จะรู้ นี่เกิดจากสติสมัญญะเหมือนเครื่องมือถ้าไม่มีสติเท <c oughs> ่ากับไม่เหมือนเครื่องมือทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกเหมือนลุงตาไป ส่อมท่อแท่งส้อมท่อน้ำที่ห้องน้ำวัดพูโขทอ ง, องแล้วก็ต้องมีเครื่องมือที่ไปทําน้ามันรั่วหน้ามันแตกสิ่งที่หมุนก็หมุนออกสิ่งที่ควรหมุนเข้าก็หมุนเข้าสิ่งที่หมุนไม่ได้นอกจากมือ ก็มีกุญแจมีชีมที่ไปใช้ให้มันถูกสมมุิสูกปรังัาของเขาเครื่องมือที่ไปหมุนเนื้อหมุนไม่ได้เครื่องมือที่เอาออกก็ไม่ใช่มันเกินกำลังเหมือนขันนอ็อตลถ ดุมนอของรถโยนยางรถเทียงแต่มือสองนิ้วให้พอดีพอดี <c oughs> <c oughs> กับแรงของเขาถ้าเกินแรงของเขาก็เสียหังไห้ได้อาจจะแตกหักขาดไปเลย <c oughs> อันนั้นคือปัจจัย เครื่องมือต่างๆที่ไปทำอะไรชีวิตของเรานีเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจของเราที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษ <c oughs> ม่ต้องมีเครื่องมือภายนอกเกี่ยวกับสติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าไม่มีก็จน สิงที่เราจนต่อเราความหลงก็จนถ้าไม่มีสติความโกรธก็จนความทุกข์ก็จนเหมือนถูกจับกลุ่มขุขังต้องยอมจำนนเหมือนนักโทษเหมือนอยอมเข้ า, าบ้านเข้าเรือนให้เขาให้เขาบังคับ ต, ตัวเองนี่แหละจะเป็นคนที่บังคับตัวเองบางคนที่ป่วยตัวเองแต่จึงมีการศึกษาให้มันรอบโครบในกายในใจในชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีงานอยู่ถ้าเราศึกษาให้รอบโครบรอบรู้ ป็นสติสัมปชัญญะมีปัญญารอบรู้ในกองสองขานที่มันเป็นปัญญาที่จะปลดปล่อยตัวเองไม่มีทุกข์มีโทษเนี่ยคือสติสัมปชัญญะเนี่ยเราก็ควรสร้างควรประกอบใช่ไปในตัวตอมีก็ใช่เล ย, เลย ถ้ามันหลงก็รู้เลยถ้ามันโกรธมันทุกข์ก็รู้เลยรู้เข้าไปเลยทั้งมีทั้งใช้ไปด้วยแต่ใช่เท่าไหร่ยิ่งมากมันหลงที่ใดรู้ที่นั้นอันหลงอะไรที่ไหนเกี่ยวกับกายกับใจเราสะตัวเกี่ยวกับสังขารเนี่ย แต่รู้ที่นั่นได้ไดแต่ถ้าไม่มีสติถ้าหลงก็หลงไปเลยยาวนานถูกความหลงข้องงมเป็นไปตามพลังความหลงตามเหตุตามปัจจัยของเขาจนทำผิดจนทำชั่วจะเป็นทุกข์เป็นโทษต่อตัวเองคนอื่น ถ้าเรามีสติก็ง่ายนิดเดียวแล้วก็อยู่กับเราเองเราจึงประมาทไม่ไสิ่งเหล่านี้ต้องสร้างขึ้นมาต้องประกอบขึ้นมาก็มีสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเครื่องมือเหมือนกับข้ามืออันหนึ่งประกอบขึ้นอันหนึ่งต้องเหตุอัะไรเกิดขึ้นก็วาง ปล่อยออกไปเช่นสิ่งที่เราปล่อยออกไปเราวางออกไปมีเยอะสิ่งที่เราประกอบก็มีเยอะในกายในใจเรานี้ให้เป็นอิสระถ้าเราไม่มีเครื่องมือมันก็ทำอะไรไม่ได้ยอมจนไปเลย ทุกก็ทุกข์อยู่นั่นโกรก็โกรอยู่นันหลงก็หลงอยู่นั่นจิ่งถูกสิ่งเหล่านั้นครอบงมจับคุมขมขังเหมือ น, นกันนักโทษแต่นั่นก็ไม่ใช่ธรรมะาไม่ใช่อิสระไม่ใช่ธรรมะที่ปตายของชีวิตเรานีดีการมีสติสมชัญญะเนี่ย แกเราก็ห่วงกันห่วงว่าจะเป็นทุกข์ไม่อยากให้ใครเป็นทุกข์ไม่อยากให้ใครโกรธไม่อยากให้ใครวิตกกังวลเศ้หมองอย่าให้มีอะไรมาครอบงำสั่นความโกรธความทุกข์ความเศร้ห ม, มองี่เกิดอยู่กับทุกคนไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราหัดดูแลหัดช่วยตัวเอง บังทีก็กลัวท่านจะหิวกลัทกกวท่านจะหิวเพราะเราเคยเหิวบังทีก็กลัวท่านจะโกรธเพราะเราเคยโกรธไม่มีวิธีใด ท, ที่จะช่วยกันได้นอกจากเราต้องช่วยตัวเองปฏิบัติธรรมคือดูแลตัวเองถ้าอยู่ลำบากเราก็สบายคิดถึงคนที่ลำบาก เรามีผ้านุ่มก็ห่มเวลาหนาวเราอยู่ผ้าห่มถ้าร้อนเราก็มีพัดลมม่ห้องแอร์แต่บางคนเนี่ยเหงื่อไหลคลายย้อยบางทีมันก็อยู่กับเหตุปัจจัยแต่ถึงว่าบางทีเราเหงื่อไหลคลายย้อยเราหิวก็ถ้าเรามีสติมันก็ไม่ทุกข์ เต็บแค่ด้ป่วยก็ไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีสติอะไรอะไรก็ทุกข์ออกหน้าออกตาอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเราก็จะให้มันเป็นเหมือนที่เราต้องการไปได้ในโลกนี้แม้แต่นในร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันก็มีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนนอกจาก อาจจะใจตามความจริงก็ยังมีมที่เด่นหาอะค้ะโทรสะพทโมหะเป็นใหญ่คนจหญ่คนเก็บ ค, ความตายก็ยังเป็นใหญ่อยู่แต่จริงเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้ใดก็อาจจะมีทุกข์บางคนก็ไม่มีทุกข์ ก็เห็นแล้วเห็นตั้งแต่อายุยี่สิบปีสองสิบปีนู้นความเท็จความจริงมันเป็นอย่างไรอย่างที่เราสาธยายพะสูตร์เท่ากับเราได้รูทิศรูดทางทำนายไว้แล้วความชั่รานำเข้ามาอยั่งยืนไม่มีใครป้องกันไม่มีใครเป็นใหญ่ ต้องจากเสียเหล่านั่นไปเราทำนายไว้แล้วเคยมีความรักความรักก็ไม่เที่ยงเคยมีความโกรธความโกรธก็ไม่เที่ยงไม่ใช่รู้เฉยๆได้เห็นมาแล้วทุกคนเคยมีความรักทุกคนเคยมีความเกลียดทุกคนก็เคยมีความสุขทุกคนเคยมีความทุกข์เหมือนกันหมด ถ้าเรามีสติสัมชัญญะเนี่ยมันจะลอยลอยไปได้เหมือนพามผู้ลอยบาปเสียได้นี่มันมีก็ลอยออกไปเห็นว่ามันเป็นเรื่องเก่าความกดกรันเก่าความทุกข์กันเก่าความรักความเกียจกอันเก่าที่เด็ดตัญหากรันเก่า เราเราลู้แล้วลู้แจ้งด้วยไม่ใช่ลู้เฉยๆอะไรที่เป็นทำให้เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ก็ได้อะไรที่เคยทำให้เราโกรธเสียใจทุกข์ใจไม่โกรธไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจก็ได้ถ้าเรามีสติถ้าเราฝึกตนสอนตนจะเหนืดความลู้แจ้ง เวลามันเป็นทุกข์จะทุกข์หวังความเป็นทุกข์ไม่ได้เพราะไม่ถูกต้องแล้วก็หดมาถ้าเขาเจ็บก็ไม่ทุกข์ตามตามความเจ็บถ้าเขาตายก็ไม่ทุกข์ไปตามความตายนั่นคนละเรื่องภาวะที่รู้นี่ปัญญาเนี่ยไม่ใช่กายไม่ใช่ใจเรียว่าปัญญาโลบรู้ในกายในใจ เหนือจากกายจกากใจออกไปอะไรที่มันแจดงออกทางกายทางใจแล้วก็มีเช่นนั้นสิ่งที่มันเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงหรือ ว, ว่าปัญญาเนี่ยมันไม่จนกับอะไรทั้งหมดถ้าเราไม่ศึกษาตรงนี่ไม่รู้ตรงนี้ก็ามักจะไปคล่องไปอาศัยกาย <c oughs> ใ, จใจอย่างเดียว กายก็ต้องมีนิมิตอาศัยใจก็ต้องมีนิมิตอาศัยถ้าเป็นสุขก็นิมิ ส, สามิตรสุกอีกนิมิตเป็นทําให้เกิดสุขถ้าเป็นทุกก็นี่สามิตรทุกนิมิตมาให้เป็นทุก อ, อันนี้ สอน เ, นเนสเนริญให้เป็นสุขเป็นทุกข์เอาลูกลดกิ่นเสียงมาทําให้เป็นสุขเป็นทุกข์อันนั้นเดียวว่าเลื่อนลอยไม่มีความเป็นใหญ่ยังจริงเหล่านั้นยังเป็นใหญ่อยู่ถ้าระวังเพิกผลตนแดงเนี่ยมันจะอยู่เหนือจริงเหล่านั้นได้เรียกว่าเหนือการเกิเจ็เจ็บตายได้ เราจึงมาหัดดูหัดเห็นอย่าเข้าไปเป็นตารมันมั น, น, นแสดงให้เราเห็นอยู่เวลาเรามีสติบางทีก็หลงนั่นแหละความหลงแสดงนั่นคือความหลงนั่นคือความทุกข์นั่นคือความโกรธนั่นคือความไม่เที่ยงมันแสดงหน้าที่เราจะฉลาดตรงนี้บ้างบางทีก็หลงก็โง่ไปเลย งูในความวัตถุนิมิตงูในนามธรรมไม่เจอความคิดไม่มีวมัตถุก็ยังทุกข์ไปกับความคิดยังสุขไปกับความคิดเรียกว่างูอยู่กับความคิดเรื่องเก่าคิดแล้วคิดอีกอันน้นก็ ไม่ฉลาดไม่รอบรู้มันหลอกได้ความคิดก็หลอกได้รูปก็หลอกได้งามมาทำก็หลอกได้รูป่าทำก็หลอกได้ก็ไปไหนไม่ได้แต่โกดที่ใดก็ต้องส่อนรอบกับความโกรธความทุกข์อยู่ แต่นี้เราจงมาดูวันต้องเห็นต้งดูต้ อ, ตอเห็นยังก็ดูเห็นแล้วไม่เป็นเนี่ยมันเป็นมรรคเป็นผลตรงนี้ <c oughs> ตอนที่จะมีการดูเห็นเกิดขึ้นต้องมีจิงที่เห็นนั้นเรามีตาเห็นวัตถุ มันจึงหลบจึงดีเป็นตาภายในคือสติเนี่ยมันก็ต้องเกิดการเห็ดแน่นอนมันต่างกันกับการเป็นอยู่นั้นสุขเห็นมันสุขมันหลงเห็นมันหลงมันทุกข์เห็นมันทุกข์เนี่ยต่างกันกับการเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นหลงอยู่ดูเรื่อดีๆตรงนี้จะได้คําตอบจะได้ปัญญาตรงนี้ จะต้องผ่านตรงนี้จะต้องข้ามตรงนี้เปลี่ยนแปลงตรงนี้นัอนก็้าวแรกของการเดินทางถ้าไม่ผ่านอะไรเลยไม่ใช่การเดินคนเดินทางต้องผ่านอะไรที่เป็นไม่ผ่านผ่านได้ทั้งหมด ในเป็นรูปธปรรมเป็นถนน้นทางเป็นพวกเป็นหนามเป็นร่อนเป็นหนาวเป็นเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าปวดขาวปวดแชกก็ต้องข้ามไปก่อนผ่านไปก่อน <c oughs> เดินไปเรื่อยนี่คือการเดินทางมีสติก็เลื่อไปแล้วไปจากความหลงแล้ว ถ้ามันหลงเกิดขึ้นถ้าความหลงเนี่ยเหมือนกับของหน้าเดาข้ามไปซะลู่ไปซะมันต้องข้ามตรงนั้นด้วยข้ามความหลงไปความลู่ด้วยให้ความหลงไปความลู่ให้ได้ให้ความยากเป็นความลู่ให้ได้ใู้ความสุขให้ความทุกข์เป็นความลู่ให้ได้ อันนั้นเรยว่าเดินทางมักก็เป็นเช่นนั้นไม่ผ่านความหลงไม่ผ่านความทุกข์ไม่ได้เดินไปไหนเลยยังอยู่ที่หลักอยู่ที่เดิมความหลงเกิดขึ้นใดก็ยังเป็นตัวเป็นตนที่หลงอยู่แต่ความหลงกลายเป็นความรู้นั่นแ่ะต่างเราอยู่แล้วก็เห็นมันหลง ไม่ได้เป็นผู้หลงไม่ได้อยู่กับความหลงแล้วก็ไกลออกไปผ่านแล้วผ่านเล่าแล้วผ่านตรงนี้ยากการเดินทางถ้าเปลี่ยนก็ถ้าเห็นความหลงมนสติหรือว่าเป็นเป็นมากเป็นผลน้อยไป เป็นกรอบเป็นกรรแปลงใสใ จ, ใจตรงนี้บ้างอะไรที่มันจะเกิดจากความหลงในมากมายเป็นทุกข์อะไรกิเลสหาได้เห็นกันทุกคนเป็นสูสอย่ทุกคนปัญหามีทุกคนฉเฉลยปัญหาก็ฉเฉลยปัญหาทุกคน ไม่เหมือนการหลักสูตรสำเร็จที่เป็นการศึกษาในโลกในการในใจเรานี่เป็นการศึกษ า, าทาลาอันต้นๆเหมือ น, น, นกับไต่ศึกษาเนี่ยศึกษาศิกษาเหมือนการถลุง รวมหลงเป็นรุ่นเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนถลุงออกไม่เป็นตัวเป็นตนก็ถลุงออกโล้สิกขาเอาของหลงนี่แหละเป็นความรู้ใช่ได้เหมอ น, นอาหารบางประเภทจะไม่ถลุงแลว้วก็ใช้ไม่ได้เช่น ยาสมุนไพรบางอย่างต้องสกัดออกมาก่อนจึงใช่ได้ถ้าไม่สกัดก็เบื่อนั <c oughs> ้นก็ยญ้านางนั้นก็เป็นใบ้ะใบญ้านางมากินันก็ไม่ไม่ไม่มีคนมากถ้าเรากินหน่อไม้กับใบหญ้านาง มันก็ไม่เข้ากันเลยเป็นทุกข์เป็นโทษไปถ้าเอานางมาสกัดเอาดังมันเนชีกรไปใส่หน่อไม้ใส่แกงใส่ต้มมันจึงเป็นส่วนประกอบทำให้เกิดอาหารที่เป็นมีรสชาติกินได้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่มีโทษ อันนี้ก็เหมือกันละปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีส่วนประกอบมีกายมีใจเห็นเพือมสําเร็จของกายของใจเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมแทนที่จะเห็นหญ้านางเป็นหญ้านางเห็นหญ้านางเป็นอาหารเป็นยาทําเต็นด้วย อะไรก็ตามในลดพระธรรมเนี่ยเหมือนกับลดเดียวก็ว่าได้เป็นลดเดียวนะเกิดรู้เชืตัวเนี่ยเป็นลถเดียวที่ทำให้เกิดการหลุดพ้นถึงมรรคถึงผลเรากินข้าวเราก็เรียกลงมาว่ากินข้าวทานข้าว แต่มาเช่ทานข้าวอันเดียวมันมีอะไรอยู่หลายอย่างมีกับมีพริกเกลือมีเกลือปลาล่ า, ามีอะไรต่างๆโปนลงไปมีเนื้อมีน้ำลงไปเมื่เร็วๆว่าชั้นๆันว่ากินข้าวทานข้าวที่ยิงมันเป็นทั้งหมดการจเจริญสติมันคือทั้งหมด ของชีวิตเรานั่นแหละให้ใส่ใจตรงนี้ถ้ามันหลงกับละตรงนี้เปลี่ยนหลงเป็นลูกความหลงก็อย่าให้มันลอยนวลแหวกเอาประโยชน์จากมันความทุกข์ก็ได้ประโยชน์ความไม่เที่ยงก็ได้ประโยชน์ความหลงที่มันไม่มีตัวมีตนก็ได้ประโยชน์ มีอยู่ในรูปในนามนี้ห <c oughs> าทีอื่นไม่มีของจริงเวลาหลงก็หลงจริงจริงจริงในความหลงเวลาหลงเป็นลูกความหลงก็ไม่จริงไม่จริงในความรู้วัดเบี่ยงกัดู ความทุกข์ก็จร well, ิงแบบความทุกข์ไม่ยิงแบบไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงก็จริงแบบความไม่เที่ยงแต่มันไม่ยิงแบบความเที่ยงความเป็นตัวเป็นตนก็ร้อนก็หนาวก็ปวดก็มั่ยอะไนั้นก็ยิงแบบนั้นแต่มันไม่จริงแบบไม่ใช่ตัวตนความไม่ใช่ตัวตนอย่างความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงในความไม่ใช่ตัวตนจริงกว่า มาใช่อเรื่องเด็กลองยเฉยแล้วอันเห็นความทุกข์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยนั้นก็มีความรู้ไปทางไหนมีปากาเล่นเดียวเราเลี่ยงตัวได้ถ้าคนไม่มีความรู้เนี่ยไปทางไหนต้องแบกจอบแบกเสียม แบกเลื่อยขนเข้าขนของไปเงนอะไรใครย่อยแต่คนไม่ควรรู้ไม่ได้ทำแบบนั้นหลวงพ่อเทียนเคยสอนพวกเราหลวงพ่อเทียนคเคยเป็นพ่อค้าใหญ่ขายผ้าขายปอซื้อผ้าซื้อปอร้ <c oughs> องกระเซดมีรถมีเรือ ต่อข้าใหญ่แถวแม่น้ำของเหมือสุดใต้สุดสองฝั่งต่างลาวฝั่งไทยเจ็ดข่าเรือใหญ่เป็นของพ่อเทียนสมัยท่านเป็นโยมเยวลาขึ้นฝั่งก็มีพ้ายมีปอ ต้องขนใส่เรือลงไปไม่มีเรือไม่รถก็บอกให้โรงงานเข้ามาขนออกมีเครื่องมือที่ต้องไปช่างดูแลไม่อำเภอเชียงคานในอพเภอปากชมใคมีไพ่ล้อว่าเทียนลูกหมดแต่มาขายให้พ่อเทียนคนเดียวนะ่ะจะได้ราคาดี ถ้าบ่ก้าเดินมาซื้อก็ได้เท่านั้นทุกคนก็มาขายให้หลงพ่อเทียนเมื่อไดเรือลงพ่อเทียนจะมาเมื่อใดลงงานจะรถจะมาแต่หลวงพ่อเทียนสั่งมาที่นั่นที่นี่นมาเอาข้อยมาเอาข อ, องถ้าเป็นทางรถถ้าเป็นทางเรือก็ลงเรือไปเรือจะมาถึงที่นั่นวันนั้นวันนี้เวลานั้น ของที่ขึ้นเรือปัองแนะน้ำของท่าเรือก็ขึ้นได้ต่อมาหลวงพ่อเทียนมาว่าว่าผ่ายเพราะข้าปอต้องใส่เรือใส่รถถ้ามีปัญญาเฉหน่อยหายทองคำเลยไม่ต้องเอารถไม่ต้องเรือเอาทองคำใส่กระเป๋าคอาเจรงก็ได้ อังเจงสองข้างแต่ต้องคำลงไปถ้าเงินเท่ากับขายปอขายไปเป็นลดลถมันก็เบากว่ากันชีว <c oughs> ิตของเราก็เหมือนกันจะป้องกันความทุกข์ทำมาถูกสิ่งของอยากได้ความสุขมีอามิตรมาให้เกิดขึ้นจิจะมีความสุขได้ บางทีหลวงตาเคยไปให้เขาเนื้อหมนไปฉันข้าวที่บ้านของคนที่บินถาละดีที่กินข้าวเขาก็ต้องให้มีความสุขที่รับแขกที่นั่งตอนรับแขกก็มีความสุขที่ลงเงนก็มีความสุขห้องอาหารก็มีความสุขเขาสร้างเทคโนโลยีขึ้นมา ความสุขในห้องอาหารหลายอย่างความสุขในที่นั่งกินข้าวมีทั่วปาเป็นราคาเป็นเฉนๆฉนความสุขในห้องรบห้องนอนเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆมากมายถ้าไม่มีเสียงเหล่านั้นน่ะเป็นทุกเหลือไม่ใช่ เราก็อาจจะนอนอยู่ในเสือ่อผืนเดียวหมอนใบเดียวอาจจะมีความสุขบางที่เวลาความสุขที่มีอะไรต่างๆเวลากินข้าวต้องมีตูเ้เพงมีอะไรมีทีวีอะไรหลายอย่างมีความสุขหาามิตมาหลอกตัวเองให้มีความสุข มันไม่ใช่แบบนั้นเราจะมีความสุขได้ทุกที่ทุกทางอิสฉาได้ทุกทางทุกขนทุกแก่งความสุขที่ไม่ต้องอยางอมิตรสุขในศินในธรรมแม้จะเจ็บจะตายต้องอาศัยเลยได้เราอาศัยปัญญาเนี่ยที่มันปึกผลตนเดงมานี่ใครจะมาช่วยเราได้ เราเจ็บใครจะเจ็บแทนเราได้เวลาเราอาอยใจไม่ได้ใครจะหายใจแทนเราได้อามิตรที่ไหนโลกเนี้ยทรพย์เจ็เงนินทองกองเท่าไหร่มันก็ช่วยไปได้ต้องมีปัญญาปัญญาที่เรามาประกอบอยู่เนี่ยสิกขาเนี่ยอี่สติเนี่ยดูสิสัมผัสเข้าไปดูสิมันหลงลู้ อะไรล่ะความหลงมันมันคืออะไรมันกลายเป็นความรู้เสียแล้วความทุกข์คืออะไรกลายเป็นความรู้เสียแล้วความสุขคืออะไรกลายเป็นความรู้เสียแล้วที่เด็ดตระหาคืออะไรกลายเป็นความรู้เสียแล้วความไปเที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนคืออะไรมันกลายเป็นความรู้เสียแล้วจนเห็นรูปน้ําเห็นขันธ์หน้าตามความเป็นจริงทั้งหมด ที่มีอยู่ในกองรูปของนามเนี่ยทั้งหมดเลยลายเป็นความรูดทั้งหมดเลยความรูดที่ตั้งแต่ต้นท่ำกลางที่สุดมันก็จำนี้จานาญเ ป, ป็นศิลปะเม็เราฝีฝีเบือก็มีฝีมือการทํางานมีดเล่มเดียวหวัวนเล่มเดียวสิ่วเล่มเดียวเลื่อยเล่มเดียวกบอันเดียวกัน ถ้าคนมีผีมือมก็มันก็ทำได้ดีกว่าสวยงามกว่าถ้าคนมีผีมือก็ทำไม่ค่อยสวยแม่สิวเล่มเดียวกันเลื่อยเล่มเดียวกันขวานเล่มเดียวกันกบันเดียวกันก็มือห้านิ้หวหอนกันแต่มันไม่มีผีมือมันก็ทำไม่ค่อยสวยการที่ทำไม่สวยได้เพราะอะไรเพราะทำบ่อย แม้แต่ญาติงที่เป็นอุบาสิกาทำผ้าผันพ้อยเช่นมีชิ่นไหมท้านุ่งผ้าห่มบางคนมีฝีมือทําได้สวยงามที่สุดบางคนไม่มีฝีมือก็ทำไม่ค่อยดีหยาบหยาบมันก็ผ้ายเช่นเดียวกันไหมเช้นเดียวกันกีกันเดียวกันต่าต่อทอผ้าอันเดียวกัน มันก็ในฝีมือเนี่ยมันก็ต่างกันอยู่จากสติเบื้องต้นต้องแต่เห็นก่ายเห็นใจเห็นความหลงเห็นความทุกข์เห็นความอะไรต่างๆเป็นตัวลู่ตัวลูไปภาวะที่ลู่ไปภาวะที่ลู่ไปมันก็เจริญขึ้นเป็นปริญญาง่ายๆเหมือนเขาเหมือนพวกเราที่มีการเรียนเจ๋งท่านโอ ชั้นวัดโถมชั้นอดมัธยมชั้นอุด ม, มนอดมไปเรียนเจ่งมีเกรดดีสมองดีเกรดดีไม่ต้องผ่านระยะอาจจะเดินเข้ามอหาวิทยาลัยได้เลยในโลกไม่ต้องสอบเกิดเอาไปเทียบได้เลย คนมีปัญญาก็เหมือนกันเทียบไหลเลยๆนั้นหลงนะ่ะเทียบไหลเลยไปคิดเลยง่ายนิดเดียวพันทุกหน้ายนิดเดียวพันโกรดง่ายนิดเดียวมีจิตตะหนาง่ายนิดเดียวแต่บางคนต้องอดหน้าดําข้ามเที่ยนถ้ายังอดทนอยู่ไม่ใช่สติไม่ใช่ธรรมะใครก็อดได้ ไม่ต้องอดไม่มีปัญญาแล้วมันเห็นแล้วภาวะที่เห็นง่ายกว่าการอดการทนเพราะว่าการทนเป็นเบื้องต้น <c oughs> เพราะปัญญาเนยมันไม่ได้อดได้ทนหมันเป็นปัญญาหงวดทงิทั้งหลายต้องมีปัญญา ปิดท้ายทุกหมวดตั้งต้นจากอะไรมาก็ต้องมาลงที่ปัญญาตั้งแต่หมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามหมวด4ี่หมวดสิบุกก่ะหนึ่งเอก่หนึ่งติก่ะสองไม่ถูกนับภาษาบาลีเอกหนึ่งุกสองติก่ะสจัตุ ก, ส, กสี่ ปัญจกาห้าสกกาหกสตากาเจ็ดอัตากาแปดนวกาเก้าสัจกาสิบปัญญาสุดท้ายเลยสุดยอดนี่เราเรียนปัญญาแท้ๆเนี่ยไม่ใช่งโง่นะคนที่เห็นความหลงเป็นความทูกไม่ใช่คนงโง่ไม่ใช่ตาศีตาสาถ้าคนไม่เห็นความเห็นทุกข์เป็นทุกข์ ยังโง่ถ้าเป็นพยาพุท ธ, ธานะถ้าคนเห็นความหลงเป็นความรู้หรือว่าไม่เ่ตาสีตาสาเราวหรือว่าคนแกรียนมาแล้วเห็นความหลงเป็นความรู้รู้ว่าคงแกรียนมาแล้วช่างเคยแห่ เหมือนกับวลมลูเนี่ยเหมือนช่างนะกองหลงเหมือนหมาตัวหนึง่งหมาช่างมันจะตื่นหมาแล้วไงมันใหญ่แล้วปัญญารอบรู้ในกองสังขารเนี่ยใหญ่แล้วเหนือนแล้วเหนือเกิดเจ็บเจ็บตาย ไดเลยทีเดียวมันอยู่ที่ไหนละชิ้นเราเนี่ยอยู่ที่เราเนี่ยมาชวนกันมาอยู่ร่วมกันอันอื่นเอาไว้หลังก่อนแต่เราทำไงจะจะอยู่ด้วยเสมอภาคอย่าเบียดเบียนตนเองอย่าเบียดเบียนก่อนเดินมีอะไรก็แบ่งกันกินกันใช้อย่าเห็นยดเฉตัวทุกข์ด้วยกันทุกขด้วยกันนี่ที่นี่ก็มีคน ผู้รับผิดชอบอยู่มีผู้ดูแลอยู่พวกเราก็ทำไม่หยุดไม่หย่อนในปัจจัยภายนอกเพื่อให้สะดวกในการอยู่ก่อนใช้ชีวิตตามสมควรแต่กำลังของพวกเราอนงานอยู่ในวัดเนี่ยไม่ขาดหลายปีมาแล้วไม่จํำกว่าสิบคน เพื่ออ้าบหน่วยความสะดวกให้พวกเราเรียกร้องได้เกือนล่อไล่บอกอนอกมีอาจารย์นอาจารย์ตุ้มมีพระอาจารย์ในด้านกรรมฐานมีคนที่ดูแลกันอยู่อย่าอย่าเบียดเบียนตนลำบากไม่ใช่เรามีสิทธิร้อยเปอร์เซ็น สเสมอกันหมดอย่าไปขิวข้าวโรงทานแล้ก็พอมีอยู่จนินมีไหมมีข้าวสารไหม <c oughs> ไมข้วที่นี่มันดีนะบางทีเราได้ทานข้าวที่พระเจ้าแผ่นดินสเสวยเลยข้าวกล้องหมอ้อ <c oughs> มีที่ไหนล่ะคนอื่นได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะได้กินข้าว ก้องง้อไว้หลังตาจิงเข้าต้มทุกวันนะนี่ก็ก็ไม่ลืมกันนะถ้าทําให้หลวงต า, างไงก็ทาให้คนหนึ่งอย่างนั่นนะอย่ามาทําแต่ให้หลวงตาคนเดียว น, นะมาดูพาของหลวงตาเสือมากเกินไปบางทีวางถ้วยไม่ได้แต่ต้องเท่าหน่อยเลยอย่าไปทําแบบมา้นนะ ไอ้ใหญ่ล่นไอ้น้อยบ่เต็มเข้าใจไหมไอ้ใหญ่ล้นไอ้น้อยไม่เตีวฝนตกตองนอ้น้อยแข็งอยู่แต่องใหญ่ล้นไปแล้วอะไรก็ไหลลงไปเลยนลงวปองน้อยน้อยยังแห้งอยู่ชีวิตของเราเนี่ยมันแบบน้านไม่ได้นะตนปรงอาหารต้องเฉลีย่ยให้ดีๆ รักทุกคนในโลกอย่ามารักแต่คนที่เรารักอย่าให้มีคนที่เราลักคนที่เราเกลียดเสมอกันหมดเลวมันจะเกิดเลยมิตรภาพภาพเดียวแผดเด็ดราบหน้ากองชัยไม่เคนะเทำไงคือเราจะถึงตรงนั้นได้ฝึกตัวเองแนละ้วมีน้ำใจทูเจ้าออกหน้าเลยเมตตาที่คุณ ออกหน้าเลยบุกไปเลยตามไปด้วยบริสุดที่คนตามไปด้วยปัญญาที่คนเขี่ยงเลยไม่มีอะไรขวางกันน้นในโลกนี้องคริบาลจับดาบไล่ฟันอยู่คุณเจ้ายังช่วยอยู่ที่ปามหาุณาที่คนยิ่งใหญ่ให้มีในหัวใจเราต่อยเถอ อยู่ในนี้เนี่ยวเดี๋ยวที่ลกมักที่ชังแบ่งชั้นบรรณาอะไรเสมอกันหมดดูแลกันให้มันเป็นมิตรภาพราบเรียบของชีวิตเราอย่ามีอะไรขวงกัน้ ว, วันน้องตาขึ้นไปโอ้กะทีสิบสามไม่เห็นกะทีสิบสามมาสี่ปีแล้ว ให้เห็นกบตีสิบสามัดหนึ่งทัดสองให้อาจารย์ตุ้มพาขับรถขึ้นไปดูเขาถางถางเขาเปิดทางขึ้นไปดูนะวันนี้ไปชวนหลวงพ่อใหญ่ไปดูชื่นใจเห็นพระนมนมนั่งอยู่ในกฎโอ้ยมันชื่นใจมากนะในกฎนู้นพระนมนมดย เราเคยไปอยู่ในที่นั่นสมัยยี่สิบสามสิบปีไปสร้างศาลาเรือนธรรมที่เจ็บน้ำก็นอนอยู่ที่นั่นมีโอ่งน้ำแทกงน้ำามนก็มีน้ำหยดลงมาใส่ใส่กระป๋องพองน้ำมันเต็ม แล้วนอนอยู่ยก็มีค้างคกคางคกไปกินน้ำแล้วก็นอนอยู่เตียงงูใหญ่มาแล้ว เ, เกินนะมันวิ่งบนลานปูนฉอฉอฉามันเดินมันวิ่งอย่างนี้ไม่ได้นะมันเลี้ยวไปลัวขาขวก็ไปกินค้างคก อัวฉายไฟโดโเท่เนี่ยงูเหลือมใหญ่แล้วก็นอนอยู่บนเตียงใกลๆ้ๆถ้าอะไรไปทำงานให้ลุกไปหาไม้ยาวๆไหมไล่งูออกมันก็ไม่กลัวนะมันใหญ่ไม่กระดูกกระเดกเลยงูเหลือ ม, มใหญ่กลัวไหม อ่าไม่กลัวช่วยมันไม่ได้มันไม่กลัวเราล้วก็ลักถณะดูเรากับงูมันสู้ออกมาได้ถ้าไม่ตีมันมันก็คงจะโกรธแย่มันแย่มันก็สู้เรา อ, อยูงอง่งูยิ่งข่มได้อ้อสมควรโดยทีต่อมามีพระ น, น้องแกมาบวชให้ประยชเพราะว่าเขากลัวงูห น, นีไปอยู่ว่านบัดปูทองหรอนีกลัวทำไมฮนะความกลัวความกล้าต้องมีปัญญาอยาให้ความกลัวบังคับอยให่ความกล้าบังครับปัญญามันองเล็บไปเที่ยว้องสร้างได้นี่แหละ ไม่ใช่จิตไม่ใช่กายไม่ใช่ชรูปใชนามนะมันเป็นปัญญาแต่กายไมีการเคยเจ็เจ็บตายอันใจมีทุกข์เพราะเกิดเพราะเจ็บเพราะเจ็บเพราะตายอันตัวปัญญาไม่ได้มีตรงนี้แล้วเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่รู้จึกตัวเดี๋ยไปทันสมัยมากเรื่องนะมาล่าจมัยแล้วจะเย็นไหมอสองวันจะอากาศพระพ้องกัน